เพราะการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคนอย่างยิ่งดังในภาพบาลีที่สงจัดไว้ว่ากาเลนธรรมะสวนานังเอตังมังกลมุตตะมังการฟังธรรมนี้เป็นประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรม ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรทมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและสู่การบรรลุมรรคผลตามลำดับต่อไป 3. จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและ5ททำให้จิตใจผอมใสมีความสุขนี่คือมงคลที่เราจะได้รับห้ประการด้วยกันจากการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก่อนที่เราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำเราก็ต้องศึกษาฟังจากผู้รู้ก่อน เหมือนกับการทำกับข้าวถ้าเรายัางทำไม่เป็นถ้าเราไปทำเองกับข้าวจะไม่ได้ออกมาเหมือนกับกับข้าวของคนอื่นที่เขาทำกันเพราะเราไม่รู้จักวิธีทำกับข้าวแต่พอเราไปศึกษากับผู้รู้วิธีทำกับข้าวพอเรามาทำเองเราก็จะทำกับข้าวที่ออกมาได้ รสชาติอร่อยอร่อยน่ารับประทานชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนอยากจะไปกันคือไปจุดหมายที่ไม่มีความทุกข์ที่มีแต่ความสุขความเจริญแต่ทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้เราไม่รู้จักกัน เราจึงยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางสัก ท, กทีเพราะว่าเราขาดผู้นำทางหรือผู้บอกทางถ้าเราอยากจะเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตที่มีแต่ความน่มเย็นเป็นสุดปราศจากทุพภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ ผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐแล้วคือที่ไม่มีความทุกข์ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวและเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่หมดไม่มีวันหมดไปถ้าพวกเราอยากจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นเราก็ต้อง ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะจากพ่ะโอ์ของพ่อองค์เองก็ดีหรือจากหนังสือก็ใตปไปดกที่ได้จารึกคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้หรือฟังจากผู้ได้ศึกษาจากหนังสือหรือจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ จนได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความนิ่มเย็นเป็นสุวอย่างวันนี้พวกเราก็มาดำเนินตามทางที่พรุทธเจ้าทรงสอนให้ดาเนินคือให้มาทำบุญบุญนี่แหละเป็นปัจจัยเป็นเหตุ ที่จะทำให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบุญนี่ก็มีหลายแบบหลายอย่างด้วยกันเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานก็มีหลายแบบหลายอย่างเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบตามความต้องการของร่างกายครบบูร มีอยู่สี่ห้าหมู่ด้วยการอาหารเช่นตน้องมีเนื้อผักเนื้อมีผักมีผลไม้มีอะไรต่างๆที่จะตอบสนองความต้องการของร่างกายบุญต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของจิตใจของพวกเราคือให้พวกเรามีความร่มเย็นเป็นสุด ไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจเราจึงควรที่จะมาศึกษาว่าบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำกันนั้นมีอะไรบ้างวันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญหลายข้อด้วยกันเช่นข้อที่หนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่เรียกว่าทาน ให้แล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจดัแบบความไม่สบายใจไปได้ในระดับหนึ่งนี่คือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานทานนี้ก็มีหลายแบบด้วยกันแบบที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเรียกว่าวัตถุทานคือเราให้ข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม่สอยของเหล่านี้ ท่านเรียกว่าวัตถุให้วัตถุก็คือวัตถุฐานของที่สองที่เราอาจจะให้แต่เราอาจจะไม่ได้ให้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีจะให้หรือไม่สิ่งที่เราให้ได้สิ่งที่สองก็คือวิทยาธานวิทยาแปลว่าความรู้ความรู้ต่ตางๆความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาจีนความรู้ภาษารัเสเซียหย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้ถ้าเอามาสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บเงินเก็บทองสอนให้ฟรีก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานถ้าเราไม่รู้ภาษาแต่เรารู้จากวิธีทากับข้าวกับปลาเราก็สอนคนให้เขารู้จักทงกับข้าวกับปลาอาหารอย่างนี้ก็เป็นวิทยาทานเหมือนกัน เพราะว่าคนเราบางทีอาจจะไม่มีวัตถุคือไม่มีทรัพย์มากไม่มีเครื่องใช้ไม่สอยมากไม่สามารถที่จะให้วัตถุทานได้แต่มีความรู้มากก็สามารถเอาความรู้นีม้มาให้แก่ผู้อื่นได้ผลก็จะเป็นเหมือนกันผลก็คือจะได้บุญบุญก็แปลว่าความสุขใจ สิ่งที่สามเราจะให้กันได้ก็คือธรรมทานธรรมทานก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเรามีธรรมะแล้วเราเอาไปสอนคนอื่นก็ได้สอนให้คนอื่นรู้ว่าถ้าเขาอยากจะมีความสุขอยากจะไม่มีความทุกข์ขอให้เขาทาทาน ขอให้เขามาฟังเทศฟังธรรมบอกเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานการให้ทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้มีคุณค่ามากกว่าวัตถุเข้าของเงินทองมีคุณค่ามากกว่าวิชาความรู้ต่างๆเพราะ ข้าวของเงินทองก็ดีวิชาความรู้ต่างๆก็ดีไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ไม่สามารถพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้มีแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้นี่คือการให้ที่ประเสริฐที่สุด ก็คือการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวดถ้าเราไม่มีธรรมะแต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆเราก็เอาไปแจกให้คนอื่นก็ได้ถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้บางทีเราอ่านเสร็จแล้วเราจำได้แล้วว่าในหนังสือนี้มีอะไรบ้างเก็บไว้เราก็ไม่ได้เปิดมาดูก็เอาไปให้คนอื่น อย่างหนังสือที่ญาติโยมมารับนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมเอาไปอ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วมีคนข้างบ้านหรือมีใครเขาสนใจอยากจะได้ก็ให้เขาไปเลยญาติโยมก็จะได้บุญจากการให้ธรรมเพราะว่าถ้าเขาเอาไปอ่านแล้วเขาก็จะได้รู้จักวิธีสร้างความสุข ด, ดับความทุกข์ให้แก่ใจของเขา นี่คือเรื่องของทานกอให้เราทำกันบ่อยๆทำกันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ติดเป็นนิสัยไปถ้าเรานานๆทำทีเราจะรู้สึกยากเวลาที่เราจะทำทานสักครั้งหนึ่งเพราะเราจะเสียดายข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราฝึกทำอยู่เรื่อยๆทำทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไป แล้วเราก็จะทำทานได้ง่ายถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีบุญเราก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาให้ความสุขกับเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำทานเลยใจของเราจะไม่มีความสุขเลย ถึงแม้ว่าจะมีเงินทองกองเท่าภูเขาเงินทองนั่นแหละจะเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราจะหวงจะห่วงเราจะตนีเราจะไม่อยากจะให้ใครและเวลาที่เราต้องจับมันไปเราจะทุกข์มากเราจะเสียใจมากแต่ถ้าเรามีเงินทองแล้วเราไม่หวงไม่ห่วง มีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็จะมีความสุขและเวลาเราต้องจากเงินทองไปเราจะจากอย่างมีความสุขเราจะไม่จากอย่างมีความทุกข์นี่แหละคืออานิสงส์ของการทาทานจะทาให้ดับความทุกข์ภายในใจ ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความตณีเกิดจากความหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเหมืนอนทองและเวลาตายจากกันไปก็ไปอย่างสบายไปสู่สุกตินี่คือทานบุญอย่างหนึ่งที่เราควรจะทากันบุญชนิดที่สองท่านเรียกว่าศีลมันิญาติโยมก็มาทำบุญข้อนี้ด้วย คือมาสมาทานศีลห้ากันศีลก็คือการละเว้นจากการทำบาปเช่นว น, นี้ญาติโยมก็มาละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลดมดเท็ดและละเว้นจากการเสพสารยาเมาถ้าเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับการ ทำบาปต่างๆเพราะเราไม่ได้ทำนั่นเองการทำบาปนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความไม่สบายใจกันเราทุกข์ใจกันไม่สบายใจเพราะเราทำบาปเวลาเราไปค่าใครแล้วใจเราจะไม่สบายเวลาไปลักทรัพย์ก็จะไม่สบายเวลาไปประพฤติผิดปัเวณีก็จะไม่สบายเวลาพูดปดก็จะไม่สบาย เวลาเสพสุรายามก็จะไม่สบายใจนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันถ้าเราไม่อยากจะให้ใจเราต้องเดือดร้อนต้องวุ่นวายใจนี่ก็คือบุญข้อที่สองบุญข้อที่สามก็คือการภาวนาภาวนานี้แปลว่าการทำใจให้สงบการทำใจให้ฉลาดเรียกว่าภาวนา ทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้ฉลาเรียกว่าวิปัสนาภาวนาถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจจะมีความสุขเพราะความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เเราจึงควรหัดมาทำใจให้สงบ ก, กันด้วยการไหว้พระสวนมนด้วยการนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องเั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วก็จะมีความสุขหลังจากมีความสุขจากความสงบแล้วพอออกมาก็สอนใจว่าต่อไปนี้จะไม่ง้ออีกแล้วจะไม่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นความสุขปลองเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเช่นไปมีความสุขกับสามีภรรยาเวลาสามีภรรยาตายจากเราไปเราก็ร้องร้องห่มร้องไห้กันสู้อยู่คนเดียวดีกว่าหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่านี่เรียกว่าฉลาดเรียกว่าปัญญาคนที่ฉลาดนี่ จะไม่หาความสุขจากอะไรทั้งหลายในโลกนี้จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากภาวนาข้อที่สี่ก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเช่นตอนนี้เรานี่มาทำบุญบุญที่เราทำนี้เราอุทิศให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วได้ถ้ามีผู้ร่วงรับ รอรับอยู่เขาก็จะรับไปได้แต่บุญนี้เราไม่ได้แบ่งให้หมดเพราะเราแบ่งได้เพียงบางส่วนเป็นเหมือนส่งของไปทางไปรษณีย์เราไม่สามารถส่งไปทั้งหมดได้ส่งได้เป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ส่งเลยเพราะคนที่รับเขาก็จะได้รับประโยชน์เขาก็จะได้รับความสุขคนที่รอรับนี้ เป็นคนที่เหมือนกับขอทานนี่เพราะตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาลืมทำบุญเขาไม่ได้ทำบุญเขาเลยไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวก็เหมือนกับคนที่เดินทางออกนอกบ้านแล้วไม่ได้เอาเงินทองติดตัวไปพอจะซื้ออะไรก็ไม่มีเงินจะซื้อก็ต้องไปขอเงินของคนอื่นนี่คือ เรื่องของผู้ที่ตายไปแล้วต้องมารอรับส่วนบุญเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่ลืมทำบุญกันหรือทำน้อยพอไปก็เลยไม่พอใช้ก็เลยต้องมาขอรับรอรับส่วนบุญของพวกเราที่ทำบุญกันในวันนี้พวกเราเวลาเราอุทิศบุญนี้ให้ไปเราก็จะได้บุญอีกชั้นหนึ่งได้ความสุขจากการได้แบ่งบุญให้แก่ผู้นี้ นี่คือข้อที่สข้อที่หก็คืออนุโมทนาบุญเวลาเห็นใครเขาทำบุญเราควรแสดงความชื่นชมยินดีอย่าไปรู้สึกไม่ดีกับการทำบุญของผู้เพราะจะทำให้เราเศร้าหมองไปเปล่าๆเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราต้องแสดงความยินดีอนุโมทนาหรือร่วมบุญด้วยยิ่งดีอ่ะ เราทำภาพป่าทำกะถินเราก็ร่วมทำบุญแบ่งเงินไปด้วยเราก็จะได้บุญด้วยถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็จะไม่ได้บุญนี่คือข้อที่หข้อที่หก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้่เช่ น, นทำบุญเกี่ยวกับสาธารณกุศลเช่นไปทำงานเป็นอาสาสมัคร กับหน่วยผู้ภัยอย่างโปรเทคตึ้งหรือร่วมกตันยูเขาไปช่วยกันเก็บศพหรือไปช่วยพาคนไปโรงพยาบาลทำงานอะไรต่างๆเพื่อสังคมอย่างนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้จะรับใช้คนในบ้านก็ได้รับใช้พ่อแม่ก็ได้บุญเหมือนกันรับใช้พ่อแม่นี้ได้บุญมากกว่ารับใช้ผู้เสียด้วยซ้าไป พพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนพระอรหันต์ของพวกเราการได้ทำบุญกับพระอรหันต์นี้ท่านถือว่าได้บุญมากกว่าการทำบุญกับผู้อื่นนั้นเราอย่ามองข้ามพ่อแม่ของเราไปก่อนที่เราจะไปรับใช้ผู้นนอกบ้านเราต้องรับใช้พ่อแม่ของเราก่อนพ่อแม่เราขาดอะไรเดือดร้อนอะไรเราต้องหามาดูแลพ่อแม่ของเราก่อน แล้วเราจะได้บุญมากเพราะเราจะเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตเวทีคนที่มีความกระตัญยูนี้ท่านบอกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่คนเขายินดีส่งเสริมช่วยเหลือเสมอแต่คนที่ไม่มีความกระตัญยูนี้จะไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือคบค้าสมาคมด้วยเพราะทำไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไปแล้วไม่มีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นก็จะไม่มีใครอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือดัองนั้นขอให้เราช่วยเหลือผู้มีพระคุณของเราก่อนรับใช้ผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่าลืมบุญคุณของท่านนี่คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ บุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอ น, นิ ญ, ญาโโยมมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความสงบได้กำจัดความรังเลสงสยัยต่างๆให้หมดไปได้ทำให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชั่ววันนี้เราก็มารู้วิธีทาบุญเกือบสิบข้อด้วยกันข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริ ง, รรรงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ ถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เราก็จะคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูงแต่พอเรามาฟังธรรมได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงตัดสรตว์ความจริงเหล่านี้เราก็จะได้รู้ว่าของเหล่านี้มีจริงเมื่อมีจริงเราจะได้ไม่กล้าทำบาปเราจะทำแต่บุญ แล้วเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้บาปไปรับผลบุญไปเกิดในสวรรค์ไปสู่พระนิพพานา น, นี่คือบุญที่ได้รับจากการมีความเห็นที่ถูกต้องและประการสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการแบ่งธรรมะให้แก่ผู้อั่นมา น, นิย่ายโยมีธรรมะกลับไปบ้าง ก็เอาไปบอกสามีไปบอกภรรยาว่าเธออยากจะไปสวรรค์อยากจะไม่มีความทุกข์เธอต้องทำบุญนะต้องทำบุญนักษาศีลฟังเทศฟังธรรมถ้าเขาเชื่อเขาไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับประโยชน์แต่การจะบอกธรรมะแกผู้นี้ต้องดูก่อนว่าเขายินดีจะฟังหรือไม่ ต้องถามเขาก่อนหรือถ้าเขาถามแล้วค่อยบอกอย่าอยู่ดีๆไปบอกเขาเพราะเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะฟังก็ได้ถ้าเขาไม่พร้อมไปบอกเขาดีไม่ดีเขาอาจจะโกรธอาจจะเกลียดเราก็ได้การจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี้ต้องดูก่อนว่าเขาแบมือรับหรือไม่เหมือนกับเวลาเราเทน้ำใส่แก้ว คนที่เขาเอาแก้วมารองรับน้ำเขาเอาแก้วมาหรือเปล่าเขาไหายแก้วขึ้นหรือเขาคว่าแก้วลงถ้าเขาคว่าแก้วลงก็อย่าเทน้ำไปเพราะน้าจะไม่ไม่เ่้าไปในแก้วทังนั้นเวลาจะสอนธรรมะบอกธรรมะให้กับใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าถ้าเรากลับบ้านแล้วสามีหรือภรรยาถามว่า วันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรมาช่วยบอกให้หน่อยอย่างนี้เราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจก็อย่าไปบอกเพราะว่าแทนที่จะเกิดประโยชน์กลับจะเกิดโทษขึ้นมากะดานี่คือบุญต่างๆที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทำกันถ้าพวกเรากระทำได้ผลที่เราต้องการคือความน่มเย็นเป็นสุขความปราศจากความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนบุญนี้ยังมีคุณค่ากว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพราะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ยังไม่สามารถให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราได้อย่างตลอดเวลาแต่บุญนี้จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลา จะทําให้เราไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราเลยจึงขอให้พวกเราพยายา ม, มาสร้างบุญสร้างคุศนกันเพื่อผลที่พวกเราต้องการกันคือความร่มเย็นเป็นสุดแข็งค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้